โทษของการเป็นชู้ 1. ทุกทางใจจิตที่เป็นปกติสุขไม่อาจคิดลงมือครบชูการจะครบชูได้ต้องใช้จิตที่เป็นทุกเท่านั้นเพราะรู้รู้กันทั้งโลกทุกชาติทุกภาษาว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องบาดใจแม้แต่การแตะเนื้อต้องตัวคนที่มีเจ้าของด้วยความกำหนัดก็ น, นับว่าสมควรอดสูใจได้แล้ว เพราะรู้อยู่เต็มออกไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เป็นการล่วงละเมิดสมบัติต้องห้ามของผู้อื่นอยู่ดีฝ่ายหญิงมีรูปเป็นทรัพย์เมื่อเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องถือว่าทรัพย์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปกครองเลี้ยงดูแต่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นในสังคมประชาธิปไตยที่ชายหญิงต่างเลี้ยงดูตนเองได้อันนาไปสู่การมีสิทธิเท่าเทียมกันชายหญิงต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกล่าวคือ นับตั้งแต่การมั่นหมายประกาศจองตัวกันและกันอย่างเป็นทางการให้นับว่าทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ในร่างกายของอีกฝ่ายเสมอกันห้ามฝ่ายใดละเมิดสัญญาด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นขณะเดียวกันถ้ามีคนอื่นมามีเพศสัมพันธ์ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ามั่นหมายแล้วก็นับว่าผิดศีลเช่นเดียวกันเนื้อหนังคนเราเปรียบเสมือนอาหารอันโอชะที่น่าแหนหัวงสําหรับเจ้าของ ถ้าต้องลักกินขโมยกินเพียงเพื่อให้หายอยากใจของเราจะเป็นสุขได้อย่างไรแม้เหมือนอิมหมีพีมันใจก็อดคิดไม่ได้ว่าเรากำลังใช้มือที่สกปรกอิบอาหารใส่ปากทุกคาย่อมเจออยู่ด้วยพิษหรือชั่วโรคอันเป็นโทษให้ผลเป็นทุกข์การสังเกตเข้ามาในตนเองจะทำให้เห็นทุกเป็นขณะขณะอย่างชัดเจนทุก เริมต้นตั้งแต่เมื่ออยากมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นความขัดแย้งกับส่วนลึกที่ยังมีมโนธรรมและมโนธรรมจะส่งแรงต้านความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เสมอทุกเจตวีตัวขึ้นเมื่อตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเหมือนกับว่าใจ เริ่มก้าผลเขตสว่างเข้าสู่แนวสนธยาแม้รู้สึกว่ามืดลงทุกทีแต่ความตื่นเพลิดไปกับจินตนาการที่เราใจก็รุนหลังของเราให้มุ่งหน้าไปเรื่อยๆยัยงคนไม่กลัวความมืดในป่ารกชัดเพียงเพราะได้กลิ่นยวนใจของเหยื่อล่อจากที่นั่นทุกจะทวีตัวขึ้นอีกเมื่อพยายามมีเพศสัมพันธ์กับคนมีเจ้าของสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเป็นการฝืนใจ เข็นราคาขึ้นมาเอาชนะความกลัวถูกปฏิเสธหรือกลัวถูกด่าทอหรือกลัวถูกจับได้ทุกจะทวีตัวขึ้นถึงขีดสุดเมื่อลงมือมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นความหน้ามืดดับสำนึกผิดชอบชั่วดีลงราวกับทั้งชีวิตเหลือแต่การเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณไม่ต่างจากสัตว์โลกทั่วไปทุกจะไม่จบโดยง่าย แม้เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนมีเจ้าของสำเร็จสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นความรู้สึกที่ไม่ดีน่าดูถูกผิดที่ผิดทางหรือกระทั่งชวนให้ขยะแขยงและที่สำคัญคือรู้สึกว่าต้องหลบหลบซ่อนจะให้ใครรู้ไม่ได้โดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าของถ้าคนมีเจ้าของนั้นไม่ค่อยมีเสน่ห์ทางเพศมากนะักสํา น, นึกผิดชอบช่วดีของเรามักจะกลับมาเร็ว และสำนึกแยกกับพฤติกรรมของตนเต็มที่แต่ถ้าคนที่มีเจ้าของนั้นเป็นพวกที่มีเสน่ห์ทางเพศสูงสํานึกผิดชอบชั่วดีของเรามักจะถูกกดเอาไว้ใจจะทยานต่อตามแรงฉุดจากเสน่ห์ทางเพศของฝ่ายนั้นกระทั่งพุ่งลิ้วไปบนเส้นทางเห็นผิดเป็นชอบสําคัญว่ากองจักเป็นดอกบัวกว่าจะรู้สึกตัวว่าหลงเดินบนเส้นทางอันเน่าเหม็นและระทมทุกข์ก็ตกอยู่ในเงามืด จนแยกจากคลำหาเส้นทางใหม่ได้ซะแล้ว 2. การสั่งสมบาปเมื่อทราบแล้วว่าความมืดเป็นเครื่องหมายของบาปเราก็สามารถสำรวจใจตนเองแล้วทราบได้เช่นเดียวกันว่าการผิดประเวณีเป็นบาปเพราะไม่มีการผิดประเวณีครั้งใดที่ทาให้จิตของเราสว่างขึ้นเลยมีแต่จะหม่นหมองลงกับทั้งไม่มีแก่ใจคิดจะทาอะไรในทางที่ดี หรือในทางที่เจริญเอาซะเลยแรงผลักดันให้ผิดประเวณีได้คือราคะราคะต้องชนะความยับยั้งชั่งใจทางเพศจึงจะขับให้เราก่อบาปด้วยการผิดประเวณีความยับยั้งชั่งใจทางเพศเป็นสิ่งที่มนุษย์มีกันโดยธรรมชาติแม้กระทั่งเด็กที่เพิ่งรู้ความก็ทราบว่าไม่ควรให้คนแปลกหน้ามาจับต้องอวัยวะเพศของตนและตนก็ไม่ควรถือวิสาสะ ไปรูปครรมอวัยวะเพศของใครการกล้าทาถือเป็นความทะลึง่งผิดธรรมดาที่น่ากลัวก็คือบาปสามารถสั่งสมตัวได้นั่นหมายความว่ายิ่งผิดประเวณีมากขึ้นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งยับยั้งชั่งใจน้อยลงเท่านั้นมองไปทางไหนใครต่อใครก็กลายเป็นวัตถุทางเพศที่น่าลิ้มลองไปหมด ต่อให้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามีเจ้าของแล้วก็ไม่สนไม่รู้สึกว่าเป็นกำแพงกีดขวางที่มีสาระสำคัญอันใดเลยแม้กแกล้งเอาไหล่ไปเฉียดแขนของคนที่เราเห็นแฮนอยู่แล้วว่าเดินมากับคู่ครองไหล่ของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องรับเชั่วโรคทางวิญญาณแล้วและเมื่อเพาะเชื้อโรคแล้วเกิดลูกลมใหญ่โตจนครอบใจของเราได้ทั้งดวงเราจะรู้สึกว่าตัวของเราสกปรก แม้อาบน้ำำําชําระสะสางกายได้สะอาดสะอา้านก็เหมือนทั้งตัวเต็มไปด้วยยางเหนียวเหนอะหนะที่แกะไม่ออกบางคนถึงขั้นมีกลิ่นตัวแปลกๆฟอกถูด้วยสบูห่หอมกลิ่นเหม็นก็ไม่หายเลยสัทีเดียวความคิดในทางผิดประเวณีจะลดความฉลาดในการหาคู่แท้ให้ตนเองหรือแม้จะเจอคู่แท้แล้วก็จะไม่ฉลาดในการรักษาเอาไว้บาปที่พอกปูนขึ้นจะทําให้เราสําคัญไปว่า ชีวิตจะมีสีสันก็ต่อเมื่อได้ลิมรสเพศสัมพันธ์อันแปลกใหม่ไม่รู้จบฉะนั้นเพียงไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะเว้นขาดจากการผิดประเวณีก็นับว่ามีโทษแล้วเพราะเมื่อถูกเร้าใจให้เกิดราคะอย่างแรงกล้าความยับยั้งชั่งใจทางเพศย่อมลดระดับลงจนแทบไม่เหลือยังผลให้สติพร่าเลือนลงเปิดช่องให้ราคะ เข้าครอบงาจนง่อขเข่าลงนึกว่าบาปแห่งการทาผิดประเวณีเป็นสิ่งสมควรทายิ่งกว่าบุญแห่งการระงับราคะแบบผิดๆขอเพียงศบโอกาสเหมาะๆแม้แต่ก่อคดีคมคืนเราก็ยังสามารถทำให้เป็นไปได้ 3. ความเป็นอยู่ที่เลวร้ายไม่มีความรู้สึกอ่อนแออันใดที่ย่ำแย่ยไปกว่าความรู้สึกอ่อนแออันเกิดจากการเป็นชู้เพราะบาปข้ออื่น ยังทำลงไปด้วยจิตใจแกร่งกล้ากันได้เช่นเราอาจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยพละกำลังเหนือกว่าคู่ต่อสู้เราอาจขโมยของด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าเราอาจโกหกแบบคนดื้อด้านไม่ยอมแพ้หรือเราอาจกินเหล้าเพื่อกระตุ้นความฮึกเหิมแต่ถ้าเรายอมถอดเสื้อผ้าทิ้งความละอายบาปทางการลงพื้นแล้วเราจะพบว่าความเปลี้ยเพลียหลังผิดประเวณีจะเกิดขึ้น พร้อมกับความหย่อนสํานึกที่ทำหน้าที่ยับยั้งชั่งใจไม่ให้ไหลลงที่ต่ำมีอาการมึนงงปวกเปียกและเฉยแฉะร้าแรงคล้ายกาลังใจจะทำอะไรดีๆหรือกำลังใจจะต่อต้านความคิดที่ชั่วร้ายเพื่อหายไปจากเราเสียเกือบหมดเมื่อบาจากการผิดประเวณีถูกสั่งสมมามากแล้วผู้ผิดประเวณียอมเลือนฐานะเป็นหญิงร้ายหรือชายโสดดูเพลินเหมือนกรานโลก ไม่ยระกับความประพฤติใดๆแต่ที่แท้บาปหนาจนความรู้สึกด้านชากว่าใครๆต่หาความด้านชาของหญิงร้ายชายโฉดเกิดจากการหมักหมมคราบสกรปรกทั้งทางกายและวิญญาณจึงยอมเกาะให้เกิดกระแสในตัวที่น่ารังเกียจชวนให้รู้สึกคลื่นเหียนกับความสกรปรกเน่าเหม็นเชกเช่นหมูในเล้าที่จาต้องกินอยู่อย่างสกรปรกเกือตลอดเวลา การผิดประเวณีแต่ละครั้งถือเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่นซึ่งมีผลสะท้อนให้นับถือตอนเองน้อยลงพูดง่ายๆว่าได้สมบัติทางเพศของคนอื่นมาเพื่อเสียความนับถือตัวเองไปจิตของหญิงร้ายชายโชดเปรียบเหมือนคนที่จุ่มศีรษะลงไปในเมือกลื่นจนชุ่มโชคกยอมไม่ได้รู้สึกถึงความแห้งสบายแม้จมูกได้กลิ่นหอมของสวนดอกไม้แต่ใจลึกๆ ก, ก็เหมือนได้กลิ่นเหม็นของการผิ ด, ผด อยู่เกือบตลอดเวลาสิต ท, ที่ชุ่มไปด้วยเมือกสกปรกย่อมเหมาะกับพบใหม่ที่สกปรกต่ำชั้นเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจน่าอึดอัดระอาอาจถึงขั้นเน่าเฟะถ้ายังมีวาสนาพอจะเกิดหมายในโลกมนุษย์ก็ย่อมเป็นที่ชิงชังของผู้พบเห็นเหมือนใครเห็นก็พากันอยากเขี่ยทิ้งด้วยเท้าสภาพเช่นนั้นย่อมยากที่จะผูกมิตรแต่ง่ายที่จะผูกเวรดึงดูดคนและสัตว์ให้อยากเข้ามาด่า เข้ามาว่าเข้ามาทำร้ายเป็นขบวนความผิดทางเพศย่อมนำไปสู่ความผิดปกติทางเพศถ้ามีวาสนาได้เป็นมนุษย์ก็อาจรังเกยียจเพศของตนและอยากเป็นอีกเพศหนึ่งแทนหรือโตขึ้นก็อาจถูกดึงดูดเข้าสู่วิถีทางของการเปลี่ยนเบนทางเพศได้เป็นที่ทรมานใจของตนเนิ่นนาน <c oughs> หากตายเยี่งชูผู้ยังไม่อิ่มไม่พอกับการผิดประเวณีแต่ยังพอมีบุญพยุงเอาไว้ ไม่ให้ร่วงหล่นถึงนรกก็อาจไปเสวยพบของพวงรักความสกรปรกระดับเดราชานภูมิ <c oughs> เช่นหนอนในซ่วม <c oughs> เป็นต้นแต่หากตายแย่งหญิงร้ายชายโฉดพูดล่อลวงใครต่อใครเข้ามาร่วมบาปแห่งการผิดประเวณีไม่ได้เห็นแก่หัวออกหัวใจเจ้าของบ้างเลยก็จัดได้ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่อันเสียดแทงเจ็บแสบดังเช่นนรกผูกสถานเดียร